อนาปฏิวนันพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ541 1้ิพิกษูตทาผ้าปิดฝีได้ขนาด2อพิกษูทําผ้าปิดฝีต่ากว่าขนาด3าพิกษูได้ผ้าปิดฝีที่พูนทําไว้เกินขนาดมาแล้วตัดใช้4ีพิกษุทําเป็นผ้าเพดานผ้าปูพื้นผ้าม่านเปลือกฟูกหรือปลอกหมอน5้พิกษุวิกลจริต6กพิกษุต้นบัญญัติกันทูปปฏิจฉาที่สิกขาบทที่8จบ